Can't b e o u ช้ำใจทุ่มเทกายและใจเปี่ยมศรัทธาศาสนาให้ยังยืนสืบต่อไปแนนในลาสาทุชนซาบซึ้งใจแ ส, สองสรรเสริญให้อายุวัฒนามงคล